เรื่องไหมตอนเราทำงานเราดูตัวไม่หรือว่ามันโดนตอนที่เราดูข่าวตอนที่เราขับรถตอนที่เราทานข้าวเนี่ยกิจบัติของเราเนาะเรลาทำงานแต่ก็ดะแต่เป็นไหญ่รู้รู้ตัวเแต่ส่วนใหญ่ลองดูตัว เราคงได้คำต่อไป้อีกเนาะการการปฏิบัติก็คือการทําให้มันํานานสิ้นครับแต่ยคนเสร็จทแล้วก็ก็ทําให้มันํานานสิ้นบางคนยังไม่เสร็จก็คือพาฝึกใหม่มาสุกใหม่การปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้เรื่องที่ทับซ้อนไม่ได้เรื่องที่มันต้มีเทคนิคอะไรมากมายนะไม่ใช่วแบบ่า เหมือนเราเป็นเรียนวิชาการทางโลกตรงอย่างขึ้นเขาจะสอนกามลำดับ น, นะครับเหมือนคณิตศาสตร์เยนะครับข้อหนึ่งระสอนแบบนี้ข้อสองข้อสานข้อสีมันก็มีหลักสูตรที่ที่แตกตา่างกันเลยถึงจนเป็นญาตีโตเองก็มีเนื้อหามีหลักสูตรที่แยกชัดเจนไปเลยนะค่อยๆใส่ระดับไปเลแต่การปฏิบัติธรรมเนะี่ยบางทีคนเลิกใหม่ กับคนที่เคยปฏิบัติมาหลายปีแล้วพี่จีนก็ทําสิ่งเดียวกันก็คือกลับมาอีู่กปฏิบัตินี่ได้กลับมาอยู่กับการรู้สึกว่าตอนนี้กําลังทําอะไรนั่นคือดักจริงๆนะแต่ปฏิบัติใหม่จะดีปฏิบัติเก่าก็ดีแค่กลับมารู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายกำลัอยู่ในท่าไหนรู้สึกเหมือนเรากลับดูคนอื่น แต่ก่อนน่ะคือเราคิดว่าเป็นเราร่างพายนี่คือเราเรากลับมารู้สึกจริงๆว่ามันมันเป็นเพียงแค่ร่างกามันเป็นเพียงแค่ท่าที่มันประกอบกันแต่นี้ไม่ใช่ทีนะภาษาที่พูดให้ฟังเองลองแค่ดูังเก่งมันเราดูคนอื่นมันจะชอบเพราะว่ามืนเราดูนอื่นเหมืนดูคนอ่นเขาน้าเหมันดูคนอื่นเขา เดินดูคนอื่นเขากิงข้าวดูคนอื่นเขาทำอะไรต่า่ๆแต่คนอื่นในที่เี้คือเนี่ยตั้งกายเนี่แหละนะที่เรามักคิดว่ามันเป็นเราแต่ลองดูเหมือนมันไม่ใช่เราเป็นคนอื่นที่เราคอยสังเกตเขาไปบ่อยนะทั้งวันทั้งคืนกลับมาลองสังเกตดูดูเหมือนดูคนอื่นเนี่ยเราจะเห็นเหตุผลขึ้นกับตัางกายนี้ ถ้าเราเห็นสิ่งเสื่อมเลนตั้งแต่เมือันดูวันอื่นความสุขความทุกข์มันจะยังคงเหมือนเดิมไหมมันจะแตกต่างจากถ้าเราดูแล้วเราไปคิดหรือเราก็ว่ามันเป็นเราเนี่ยอันไหนมันทุกข์กว่ากันอันไหมันทุกข์มากกว่ากันมาให้เราลองดูลองเปรียบเทียบดูเราจะเห็นเองว่าเราเจตนะเองว่าเแบบไหนนทุกข์แต่ไนน้อยทุกข์มากทุกน้อยหรือมันไม่ทุกข์เลย แ้ะนาดูบ่อยๆการการตั้งจังหวะการเดินจังกรมจริงการทํากรรมฐานวิธีไหนก็แล้วแต่นะตัดก็คือว่าให้มีตัวรักให้มันกลับมานะตัดมันจากความคิดกันไปจากเอาลงณ์ารมาจากสิ่งที่การบืนตัวให้กลับมาหาตัวก็คือร่างกายนะตื่นยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดเคลื่องไหว หายใจเข้าหายี่ออกท้องฟองท้องยืก็คือคือน้าขายทีย่ต้แสดงความสีคสิครับแต่วิธีการแบบสติปัฏฐา น, นเราจะเน้นการดูเป็นภาพรวมไม่ใช่เพียงจดจอเจุดจ้อง อ, อยู่เพียงแค่ส่วนในส่วนหนึ่งนะไม่ใช่เพียงจ้องเพียงแค่ลมหายใจไม่ได้จ้องเพียงแค่ท้องหรือยกมือแล้วแค่จ้องเพียงแค่มือ เดินก็ไม่ได้เจาะเกรงแค่เท้าหรือขาให้รู้แบบภาพรวมที่มาบอกว่ามาเรารู้ตัวอื่นรูแบบรวมๆนะพอเรารูรวมไอ้ที่มันเส้นไหวเด่นๆมันก็จะชัดเจนไอ้ที่มันเสลื่นไหวไม่เด่นมันก็เป็นเกรงแค่รู้แบบคร่าวๆนะมันเป็นแบบนั้นแล้วถ้าเรารู้แบบรวมๆบางทีส่วนไหนมันเกรงส่วนไหนมันปวดมันเมื่วยส่วนไหนน homeland, binding, ัน มันไม่ผ่อนคลายเราปไ็จะเห็นเห็นแล้วก็เปลี่ยนค่าทางแต่ถ้าเราดูชองแค่ส่วนเดียวนั้นบางทีเราทําไปบางส่วนเครียดบางส่วนเร่งเราไม่รู้แต่ก็เลไม่ทันได้ผ่อนคลายมันนะเหมือนบางคนนั่งไปจีใจเจุดจ่อเป็นแค่มือที่ยกแตะลืมหรือว่าหลังมันปวดบางที่มันก็ตื่นตัาขึ้นเรา ปฏิบัติทาําไปมนจีก็ท่านใจอยากจรู้มากเกินไปติใจมันอยากจะเอานะอยากจะรู้มันก็ทําให้เกิดอดีหน้าตาก็ก็จริงจังกนะ็ทิ้งเขเรียนนะเออถ้าเรารู้ตัวเราก็ผ่อนคลายนะแค่พนักนากนระู้ตัวทั่วพรเนี่ยคือรู้สึกทั้งทางร่างกายพอเรารู้สึกทางร่างกายนะทำไปมันก็ถ้าเกิดอะไรเกิอ ข, ข, ขึ้นในใจนะ ใจเพิ่มเนิ่นได่ตายแทนนะบางทีเราเห็นเห็นร่างกายเขาเครียดเห็นร่างกายเขเครียดจะย้อนกลับมาเห็นว่าที่จริงมันก็จิตกับเครียดเอง้เลยสปรกต่างกายมันเครียดหรือบางทีเห็นนะเห็นจิตใจมันฟุ้งซ่านมันร้องลอยคิดนั่นคิดนี่ เ, ยเลยมันก็เนื่นไอ้เลยเมื่อเราเรางตังวเอ ง, วองงมากระางต้อยู่ จิเสดงอมแล้วรอยอยนะเหมือนที่เขาเหมือนเา้ารูหนัีนะมียาเาใ่าออกเป็นฟ อ, อเป็นซสือเป็นรแวต่นะอันนั้นเป็นยานเราเขาว่าเก่านะเป็ น, นพุงผีนเป็นมีญาติ้อคอยเรียนกินเป็นแบบนั้นนะกินคนเราเสื่อก็เป็นแบบนั้นคือไม่ค่อคยหยุดอยนเนื้อตัวหรกนะไปอยู่กับความคิดบาทีเราก็ อ, อยู่บ้านนไะปคิดถึงเมื่อที่บ้าน ทีเราก็ลอไปที่กาำ ง, งานบางทีก็ลอยไปจัดเรื่องราวในอะดีเรื่องราวารอาวนาคตอันนี้คือใจไม่อยู่คนตนืตัวคัรมีสตินนเหมือนคล้ายเหมือนเป็นเชือกที่ที่มัดคันไว้ระหว่างกายกับใจนะแต่ไม่ใช่มัดรวมกันนะเือนมัด มันเหมือนพวกกันนะเหมือนว่าเสียแล้วก็มีลถติดหนึ่งคอยคอยมีเด็กมีความโซ่ไปย่ากเหมือนไรนี่เหมือนถือว่าเหมือนเราจึงสุนัขไปเดินในส่วนสาธารณะนะแล้วก็มีโซ่มีเชือกผูกกันไว้หน้าที่เราก็จับไปนี่สตินั้นเหมือนเป็นเชือกร่างกายทำอะไรก็คอยยึดจิตมันอยู่กับสิ่งที่เราทำ แต่ไม่ใช่ไปมัดรวมกันไว้แล้วต้นตมาดนะมันเป็อิดาตนะแต่คิดว่ามันจะต้องแบบจัดไวไ้ให้มีไปไหนเลไม่ใช่แต่ถ้าเราไปด้วยกันนะมัแต่ตละตรร้นก็หีสลานกันเลยก็เลยไปด้วยกันแล้วก็จะอยู่อยู่ด้วยกันไนะอันนั้นคือเราใี้อิสระกับจิตใจพอสม ค, ควรไม่ต้องว่าเจ้า ใ, ให้เกินไป แต่ให้รู้แบบสบายๆ น, นะทำไปก็รู้ดรือไปแล้ชั่งมันเดินไปก็กลสับมารู้ไหมนี่คือถ้าแนเราถ้าเรามีเวลาที่ไม่ต้องเกี่ย ว, วข้องต้องการมานานมากแล้วก็พย า, ายามทำรู้คายบ่อยนะหรือที่ในกิจกรรมที่เราใช้ในที่ปัจําบันนะเราลองปึงยางไม่อาบนะ้ก็สักไอยอานะ ตักน้ำถูตัวเช็คตัวลุเกเสื่อผ้านะก็คือมีบทในกายกายที่เคลื่อนไหวเราก็รู้สึกได้นะสัมผัสเช่นเราสัมผัสร่างกายนี้เราก็รู้สึกการสนะัมผัสทุกสิ่งมั น, นรู้สึ ก, นะ ก, สกนะแต่บานถูนไปก็คิดไปล็อกเก็งไปมันไม่รู้ตัวนะใช่แต่การรู้สึกนะมันเห็นเลยการมีอยู่ของกายมีอยู่ทํำอะไรก็แล้วแต่โยนะนอนจะ ตองดูนะคืนนี้นอนอย่าไปหาเรื่องคิดแต่มันห้ามไม่ได้นะบางทีเป็นคิดก็ดเรื่องของมันแต่เราลอง น, นอนไปดูลหมหายใจสบายๆคือลมหนยใจเข้าลมหายจออกหรงคนเลยนอนพิมมือหน้ า, นน า, นนานยิมมือข้อนเร่นได้หรือนนอนสลิดเท้าเร่งๆแต่อย่าเาจีมากนะ ถ้าแบบเราอยากาจะยรู้มากกลยจิตมันจะตื่ น, น, นแล้วมันมันจะไม่หลับตับตอนนอนใจจะตับตาได้นะแต่ถ้าในเวลากลางวันยังมีใช่นอนก็ให้หืัตาแต่ น, ะ น, นั่งคดีเดิน็ดีดดดดยดืนคดีมือตาเป็นหลัแต่ถ้าตอ น, นอนก็แา่หลับตาเบาๆคืนนิ้งๆหายใจเบาๆนะมันแต่ก็ให้วางใจได้ มันยังไม่หลับก็เรื่องของมันนะนั่นที่เราก็รู้ตัวใ น, น่งๆไปถ้ามันคิดนะคิดก็เรื่องของมันก็าสลับมารู้ตัวใหม่ลองทำดนะจิตใจมันจะเกิดการคล้ายๆผ่อ น, น, นคลายผ่อน ค, คายก็แร้วเราไม่จริงจังไม่จริงจังกับนะในการดูมากเกินไปแล้วก็ไม่จริงจังว่ามันจะต้องมีคิด น, นะมันจะคิดเรองของมันนะ ก็บางทีในนะแต่ละวันบางทีแล้วก็เจออารมณ์เนาะตื่นข้างขึ้นมาบางคนมีครอบครัวก็เจอแรงกระทบในที่บ้านหรือบางทีวันธรรมดาเราทางานก็เจอแรงกระทบในที่ทํา ง, งานใช่นะไหมบางทีมันก็เราก็ตื่นตัวอันนั้นติดใจมันก็เลยบางคนก็เลยกลายเป็นความฝันเช่ไกลายเป็นความฝันรุนแรงไป แ, แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรม าทีอทนี้มันปิดในแต่ละวันนะก็โผล่ามาตอนาปฏิบัติธรรมหรือโผล่มาก่อนนอนนะฮนะเราก็แค่ดูมันเล่ น, ล น, ลนไป่ะไม่ต้องไปคิดตามมันนอะ่เก็ดู่นๆไปเที่ต้ชัางมันแต่เราก็รู้สึกตัวของเราไปนะ้องทาหรือไม่ไปไหวทำไปไหวทำเล่นๆทาให้มันเป็นนิสัยการนอนเนี่ยไม่ต้องมันคิดตอนนอนรู้สึกตัวว่ากำลังนอน รู้สึกตัวประการเพื่อนไปวเล็น้อยนะเราจะเกิดความคลายในการนอนนะการหับก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ดูก่อนนะดูดูว่าร่างกายมาอยู่ในท่าไหนเราสังเกตครับบางทีเราตื่นขึ้นมานะบางทีจิตคิดจะนั่งบางทีกึ่งสาเนจิดกลมันสวายแลใช่ไหมบางทีตื่นขึ้นมาหัวเมียที่เกียจจิดก็ อยู่ประตอนนั <nei> ้นอารมก็หมดหมู่แต่เช้าลองดูตื่นขึ้นมาสังเกตหรือว่าเรานอนในท่าไหนนะควในท่าไหนก็อยู่ขึ้งลุกทันทีเราก็ดูเคดีับรู้ตัวในขณะที่นอนก็อาจจะขึ้นนาทีก็ได้นาทีหนึ่งก็ได้นะนอนอยู่ลงไหนจะมีนอนตะลิดเท้านอนยืนมือพักนาทีแล้วก็พลิกตัวลุกขึ้น ครับผมเก็บที่ น, น, นอนลางหน้าแปรงฟันนั้นก็ถ้าเราตั้งเสตียแต่ตื่นนอนนะเราไปติจวัดหลังจากการตื่นนอนมันก็จะมีระบบมีระเบียบมีความรูๆๆๆๆๆๆๆ้สัวเรื่อยไม่ใช่ว่าต้องมารอปฏิบัติธรรมตอน น, นอยู่ในห้องนี้แต่เราจะปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตื่นนอนจ<อ>นท่านเข้านอนทำดูเหมือนมากนะ แต่ถ้าคนทําเป็นจริงๆน่ะมันมันไม่ยากนะมันจะต่อไปเรื่อยมันเองนะมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาจีนจันตอนเราทําในรูปแบบแล้วพอออกนอารูปแบบเราก็จีนไปเลยแต่จีถ้าเราทําแบบสบายๆทายบบเนื้อเน้นนะตื่นจนตนเลยมันจะไม่หนักเดินไปเพราะเราจะเห็นว่าพอมันจีนจันไปจนป้อนคายพอมันเครียดแล้วเราก็ทำให้สบายขึ้น ถ้าเราทนดึงตัวมากๆแล้วก็ตัดมาเร็วเๆเนี่ยจีก็จะไม่ฟูมั่นสร้างมากเนี่ยถ้าทำอย่างน้ได้ทั้งวันนะการปฏิบัติจะไม่เป็นภาระแต่ก่อนเรเชื่อปฏิบัติมันเป็นภาระอยากจะทำให้มนเสร็จเร็วๆอยากจะทำใ้มันจบเร็วๆ่ะใหามันผ่าไปสักทีสัตย์จะได้ไม่ปฏิบัติแต่คนที่ปฏิบัติจนชอจนได้จนเป็นที่ใส่มันจะไม่เป็นภาระ เราจะทำแล้วทำแล้วความสุขนะเหมือ น, นบางคนชอบวาดลูกอะ่ะการวาดูไม่ใช่ภาระแต่เราจะเป็นความสุขที่ได้ทําใช่ไหมบางคนชอบดูแลต้นมไม้เนะี่ยการบำรุงดินการรดน้าการใส่ใจในการดูยลต้นไม้ไม่ใช่ภาระนะใช่ไหมอะไรที่เราทําล้วมันมีความสุขตรางนั้นเราจะไม่เป็นภาระงนั้นเราก็ลองทํา ทำแบบปฏิบัติธรรมนะพยายามทำให้ัเป็นความสุขแต่อาจจะดึเหมือนยากนะสำหรับใหม่บทีเราคิดว่าไปเจอทำแล้วมันต้เรงเครียดต้องกกกกจริงกกจังองหาจังหวะทำแบบไหนเป็นความสุขความสบายความใจแต่คิดถี่นนะถีกก่มันก็ไม่ได้สุขสบายตลอดแม้สิ่งที่เราชอบจริงจริงจริงมันก็มีอะไรมาทดสอบนะก็ถือว่าเป็น เป็นการเรียนรู้อนะูล้วมันไม่ใช่ก็เด็สบายตลอดดีสลอดหรกนะก็นะลองเรียนรู้ปรับค่อยๆปรับพัฒนาไปดนะังนั้นเดี๋ยวลองส3ัวันนี้นะแล้วก็ลองมาร่วมกันทํานนะลองขับม า, กกาดูายดูใจบ่อยคนขยันนะก็จะเกิดพัฒนาการนะเกิดความเข้าใจมากขึ้นคนไม่ขยันมันก็ ได้พเท่าเดิมหรือได้ไม่หน่อยก็กลับมันเหมือนเดิม น, นะบางทีมันเหมือนบ้านนะ้ําเดียวเหมืน อ, อนนะเราไถเรือไถเรือทวนน้ำเราขยันไถนะแต่มันยังไม่ถึงปากไม่ถึงจุดหมายนะพอเราเลิกไถกร ะ, ส ะ, นะะกแสน้ำก็จะทวนเราก่ะการใช้ชีวิตก็เหมือนกันบางทีเราเหมือนช่วงนี้เราขยันปฏิบัติธรรมแต่พอสักพักหนึ่งเราก็เลิกสนใจไม่ใส่ใจเกเรจะได้ไปมือ นั้ตั ว, วนนี่ต้องทายทวนอย่างสม่ำเสมอนนะบางทีเรารู้สึกว่าทายทวนเนี่ย็นทร่เขาทไปไหวมัง่ายเพราะเป็นปนินสัยนะสบายขนะึ้นไะม่จอทําดือดเนาะประยัพื้นเชื่อ์อาจารยนมให้อนองเราทำดูนะถ้าใครทำได้เป็นนิสัยก็จะเองนะว่ามันไม่คือเรื่องยาก แต่ถ้าทำยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงนั้นะมันก็จะฟืนบ้างแต่ฟื้นไปก่อ น, นก็ดีนะดีกว่าแบบไม่ไมสู้เลยนะบางทีมันก็มันก็ไม่นนนะไทันผลอะไรครับทางจับตู้นี้เราให้มันเจื่ ก, กันดีเนาะตอนประมเช้าตอนตี่าอากา้อนก็นรีบไปก่นกกอน